بسم ิ اللّه رحمن رحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي النّظيم أما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสติความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه وتعالى ประสบกับพี่น้องผู้สัตยาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับกับเช่นเคยนะครับพบกันในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับว่าวันนี้เราได้มีโอกาสนะครับที่จะได้ใช้ช่วงเวลานะครับ ใช้ช่วงโอกาสนะครับที่เราได้มีที่พระองค์ลลอฮฺสุบฮานอตาลาได้ประทานให้กับเรานะครับก็สามารถที่จะใช้ช่วงนี้เป็นช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับและพี่น้องที่ติดตามรายการเซียอิสลามทุกๆท่านเลยนะครับก็สามารถเตียดใช้ช่วงโอกาสอย่างนี้นะครับได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ได้รับทราบรับฟังนะครับที่สําคัญพี่น้องครับผมพยายามจะบอกแล้วก็จะพยายามจะแนะนำนะครับที่จะให้เรานั้นได้อ่า คิดตามไปพร้อมๆกันว่า24ชั่วโมงต่อวันของเราที่มีเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าเราจะเป็นใครนะครับเรามีเหมือนกันหมดทุกคนนะรวยจนนักธุรกิจหรือใครก็แล้วแต่นะครับไม่มีใครมีเกินหรือน้อยกว่าทุกคนมีเท่ากันหมดอยู่ที่การบริหารจัดการว่าเราใช้เวลาของเราไปในทิศทางใดอยากจะให้เรานั้นบริหารตรงนี้นะครับว่าทําอย่างไรให้เรานั้นได้มีโอกาสได้นําอัลกุรอานไปอยู่ในช่วงเวลา 24ชั่วโมงรายวันของเราให้ได้สักช่วงหนึ่งพี่น้องครับช่วงหนึ่งนี่ไม่ใช่แค่วันเดียวช่วงหนึ่งแปลว่าในช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงสายนะครับช่วงกลางคืนก่อนนอนตื่นนอนตอนไหนก็ได้นะครับและระยะนะครับใน24ชั่วโมงตัดมาสักหน่อยหนึ่งจะ5นาที10นาทีหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่พี่น้องบริหารเอาพี่น้องลองดูเอาว่าทําอย่างไรให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราและไม่ใช่แค่วันเดียวให้ มันอยู่ในเขาเรียกว่าตารางชีวิตของเราเลยนะครับมันจะได้ทําให้รู้ว่ากุรอานที่เป็นธรรมนูญกุรอานที่เป็นทางนำและทางรอดของมวลมนุษยชาตินั้นในฐานะที่เป็นมุสลิมเราก็ต้องเห็นถึงความสําคัญและความจําเป็นที่จะต้องออทําอย่างนี้ด้วยนะครับเอาละครั บ, รบพี่น้องครับเราอยู่ในสุรานกบุตนะครับวันนี้ต่อนเนื่องเลยนะครับในอายะที่ยี่สิบปดนะครับนะในท่าความในตอนที่แล้วนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาได้ให้ เรียกว่ากำลังใจนะครับแล้วก็ข่าวดีให้กับนบีอิบราฮิมนะที่ว่าจะได้มีลูกหลานนะครับนะไม่ว่าจะเป็นนบีอิสฮะนบียะคุบและนบีท่านอื่นๆที่อยู่ในสายนะครับของวงตระกูลนี้นั้นได้เป็นรอซูลนะครับแล้วก็ได้ยืนยันว่าเหล่านี้ก็คือจะได้เป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ในหมู่ผู้คนทาความดีหรือแน่นอนอย่างยิ่งนะครับก็คือผู้ที่ได้รับการยอมรับจากอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลานะครับต่อมาครับวะลูตันอิสกาลิกลิโอมี มาในยุคของนบีลูตอัลลอฮิสซาลามนะครับซึ่งแน่นอนครับอยู่ในยุคเดียวกันกับท่านนาบีอิบราฮิมอัลลอฮิสาลามนะที่เรียนไปแล้วนะครับว่านาบีลูตก็ถือว่ามีศักเป็นหลานท่านนาบีอิบราฮิาามนะครับเป็นลูกของพี่ชายนะและเมื่อถูกแต่งตั้งเป็นรสดูลนะเห็นเหตุการณ์ในใน เ, เขาเรียกว่าในชุมชนในหมู่บ้านที่โตมาด้วยกันที่อยู่มาด้วยกันนั้นก็เห็นถึงความเหลวแหล่ความ ผิดแปลกมนุษย์นะครับที่ทําอะไรที่ไม่เหมือนอคนอื่นๆหรือแม้กระทั่งประวัติคนอื่นๆที่เคยมาพูดง่ายว่าเป็นบาปหรือเป็นความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในยุคของนบีลุตอะเลสลับก็ว่าได้เลยนะครับอวารุตันอิสกาเลลิกอมิจนกระทั่งนบีลุตนะครับได้กล่าวกับประชาชาติของเขาท่านนบีลุตได้กล่าวเพื่ออะไรครับเพื่อสั่งสอนเหมือนอย่างที่ ลุงหรือนบีอิบราฮิมได้เคยสั่งสอนประชาชาินะของนบีอิบราฮิมนะซึ่งก็มีข่าวสารที่ส่งถึงกันมาโดยตลอดนะว่าฝ่าฝืนอย่างไรไม่ยอมรับอย่างไรนะครับและต่อต้านอย่างไรทำร้ายอย่างไรจนกระทั่งมาถึงนบีลุอลอาสลามนะครับจึงได้กล่าวและสอนกับประชาชาิของตัวเองที่บอกว่าอินน um ah um ah ah ักุมละตะตูนัลฟาฮิชะตมาซบกกุมบมินอฮดิมินลอาลีน เป็นคำบอกเป็นคำสอนเป็นคำพูดที่ให้ได้คิดนะว่าแท้จริงพวกท่านทั้งหลายได้นำมาในชุมชนสร้างเกิดขึ้นในชุมชนในความเขาเรียกว่าในสิ่งสกครกสิ่งที่ไม่ดีบาปที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนหน้านี้บนหน้าแผ่นดินโอ้โหไปว่าเป็นจุดเริ่มต้น <c oughs> บาปเรื่องนี้ นะครับสิ่งที่ไม่ดีเรื่องนี้เป็นผู้ริเริ่มไม่มีใครประชาชาติก่อนหน้าเราเนี่ยประชาชาติก่อนหน้าพวกเราเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่นบีอาดัมจนถึงนบีลุตอัลัยสลามบาปอันนี้ความชั่วร้ายอย่างนี้ความโสมมอย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนั่นหมายความว่าเป็นการเปิดสกรารของการทำบาปการทำสิ่งที่ไม่ดีบนหน้าแผ่นดินนี้โ้โหมันน่าคิดนะครับ ดังนั้นคำพูดที่นบีลูตอลัยสลามได้บอกเพื่อให้รู้ถึงบาปแล้วก็สิ่งที่มันมันมั น, ม, นมันสกปรกมันไม่ดีนะครับของสังคมของแผ่นดินโลกเนี่ยนะมันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของพวกท่านทั้งหลายไปการพูดเชิงปรามไปการพูดเชิงให้เห็นถึงความบาปที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็อะไรที่มันมันเรียกกันว่า มันน่าคิดว่าไม่เคยมีแครแล้วมาจากไหนน่ะเรียแบบมาจากใครอะไรทําให้เกิดขึ้นนี่คือวิธีที่เราสามารถจะคิดได้ที่เรามาที่จะได้มองได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดจากอะไรมิใช่หรือมันก็คือมาจากนับซูความต้องการความเหิมเกิ่มนะครับและแน่นอนครับมันก็เป็นการยุนะการ เครสนับสนุนจากเชยตอนที่มันต้องการที่จะให้ลูกหลานของนบีอาดัมอะไิสลามทําผิดพาดทําผิดกติกาหลักเกณฑ์ของการเป็นบาวของอลอสุภาณหัวตาละนะครับต่อมาครับเพื่อให้ชัดเจนหลังจากที่บอกแล้วปรามแล้ว <c oughs> ถึงบาถึงความโสมมถึงความผิดพลาดนะครับอันมหาศาลนะครับที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ชี้แจงว่าเหตุนั้นคืออะไรเรื่องเรานั้นคืออะไร อะไรที่ได้พูดกํากับไว้ครั้งแรกที่บอกถึงความาร้ายแรงและรุนแรงของมันนะครับท่านนาบีลุตอัลอฮิสัลลมจริง้บอกว่าอินนกุมลาตตูนัรลวะตักตอนัซบลพวกท่านทั้งหลายนั้นได้สมสู่ชายต่อชายนะเรียกว่ารักชายนะครับวะตักต้อูนะัสซบิลและเขาเรียกว่า เป็นการตัดวงจรของธรรมชาติหรือสิ่งที่อัลลอ์ได้สร้างนะครับนี่คือสิ่งที่นบีลุตอลฮิสลามได้อ ธ, ธิบายได้บอกให้ประชาชาติได้รู้และระหนักถึงข้อผิดพลาดและมันเกิดขึ้นนะครับและมันได้ยังเป็นเรียกว่าที่ปฏิบัติกันแบบเรียกว่าใครไม่ทำแล้วถือว่า อยู่ในสังคมไม่ได้ประมาณนั้นเลยนะเป็นการปฏิบัติเป็นการรณรงค์เป็นการเชิญชวนเป็นการทำให้เกิดการกระแสของการต้องทำอย่างนี้นะเกิดขึ้นอย่างนี้ในยุคไหนครับในยุคของนบีรุตอะเลสลามและท่านนบีรุตอละาาลสลามก็ยังคงใช้เวลาใช้โอกาสในการตักเตือนไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นการชี้ให้เห็นทำให้ทให้รู้ว่า ว่านี่เป็นบาปนี่เป็นความโสมมมความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทึ่งในอดีตไม่เคยมีมาก่อนเลยนะถ้าเราวันนี้ทำอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นต้นแบบของบาปนี่นะครับต้นแบบของการผิดพลาดต้นแบบของการที่จะได้เป็นอัสบพัพหรือสาเหตุของการที่ถูกลงโทษมันจะขนาดไหนนะน่ะนะคือปรามในเรื่องของให้ได้ตระหนักให้ได้คิดแล้วสุดท้ายก็จะมาชี้ ว่าอะไรคือสิ่งที่พูดมาสักครู่นี้นั่นก็คือการที่สมสูุะะรักเพศเดียวกันนะครับโดยที่ไม่คํานึงถึงว่าอะไรคือสิ่งที่ควรและไม่ควรอะไรที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมอะไรที่ทํามาเพื่อสิ่งใดอย่างไรนะครับ <c oughs> ต่อมาครับได้บอกว่าวาตะตู at at um ้นาฟีนาดีกุมุลมุงกัรและพวกท่านทั้งหลายทําในสิ่งโสมมเหล่านี้แบบเปิดเผยไม่ละอายนะครับไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ทำนั้นผิด อันนี้เป็นสิ่งที่น่าเขาเรียกน่ากลัวที่สุดทําผิดและไม่คิดว่าสิ่งที่ผิดนั้นเป็นถึงที่ผิดมันจึงทําให้มีความเหิมเกรมในการปฏิบัติและมันเป็นการที่ทําให้เกิดว่าเรียกว่ากระแสของการปฏิบัตินั้นทําอย่างแพร่หลายในสังคมไม่เกรงกลัวไม่อายไม่เขินแถมยังต้องเขาเรียกว่าใครไม่ทําก็ไปบูลลี่เขาไปว่าเขานะครับวันนี้พี่น้องครับเราได้เห็นถึง สิ่งที่กุรอ่าน บ, บอกเมื่อพันสี่ร้อยกว่าปีพันสี่รอกว่าปีครับเหตุเกิดเมื่อไหร่ครับเกิดก่อนที่ท่านนาบีสัลลัลลอฮฺวะซัลลัมจะได้รับวายูอีกเรื่องราวหลายพันปีนป <c oughs> ก่อนนบีอิบราฮิมก่อนนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮฺวะซัลลัมคุรอ่านได้บอกเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในยุคก่อนนี้เน่ยมันเป็นแบบอย่างมันเป็นอย่างไรและพี่น้องครับลองจินตนาการว่า ในสังคมที่ไม่ยอมรับแต่ถูกการปฏิบัติอย่างเปิดเผยการปฏิบัติอย่างเขาเรียกว่าทำให้เป็นให้เป็นให้เป็นเขเรยกที่ยอมรับนะแล้วก็ใช้มวลชนใช้ความกระด้างหรือใช้ความกระตุ้นของมวลชนที่เป็นพวกเดียวกันเนี่ยมาบีบ แล้วก็มาบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ผิดอะไรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าเกลียดตรงไหนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาก็ทํากันทั้งนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สิทธิหรือพึงที่จะทําได้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับในอดีตวาตะตูนฟีนาดีกุมุลมุงกัลสิ่งที่น่ารังเกียจอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายก็ทําอย่างเปิดเผยโดยไม่คํานึงและความผิดพลาดและความละอายแต่อย่างใด นะครับฝาม่การน่าจะว่าบเกิลมีหลังจากที่พูดบอกตักเตือนเชีย่ยเห็นนะครับแทนที่จะสลดแทนที่จะกลับมาทบทวนนะครับเปล่าเลยพี่น้องครับบางครั้งเนี่ยความรู้สึกของตัวเองความอยากทําอะไรที่มันไม่ต้องมีกฎกติกาอะไรนี่นะครับนะมักจะบอกใช้คําว่ามันเป็น <c oughs> มันเป็นสมัยนี้หมันเป็นโฮอร์โมนที่พุ่งขึ้นสมัยนี้เขาเรียกกันนะมันเป็นอะไรที่ ที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่อยากจะเป็นแต่มันก็เป็นไม่ใช่เลยมันอารมณ์ล้วนๆมันเป็นความอยากล้วนๆมันมีนความต้องการส่วนตัวมันเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนแบบจากการฝึกจากการลงมือทําตั้งแต่เล็กๆหรือจะอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับสุดท้ายทําไมครับฝั่งแมกันอา จ, จะว่าเบเก้ามีเมื่อมีการตักเตือนเวลาการมีบอกกาวมีการห้ามปาลมแนะนําให้เลิกนะพวกเขาทั้งหลายก็ นี่คือคำตอบของประชาชนฮะพี่น้องครับไม่แปลกเลยนะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเวลามีการตักเตือนมีการบอกกล่าวมีการแนะนำมีการสอนในสิ่งที่ถูกต้องบางครั้งมันอาจจะค้างความรู้สึกความต้องการหรืออารมณ์ส่วนตัวของตัวเองมันต้องมีแ่ะครับหน้าที่ของเราคือศึกษาเรียนรู้และมองถึงสัจธรรมว่าจริงหรือเปล่าถ้าจริงก็เปลี่ยนแปลงแต่นี่ไม่ครับ กับการมีการต่อต้านมีการลุกฮือขึ้นมาและมีการท้าทายมีการาพูดด้วยค่าคําสอนของท่านบรรดาอลซุนก่อนๆหน้านี้โดยบรรดาบีลุตอะลัยสลามก็ถูกเช่นเดียวกันนะครับที่บอกว่าคําตอบของประชาชาติก็คือว่าพวกเขากล่าวว่าถ้าท่านพูดจริงนำอาณาจักของอัลลอฮ์นำอาณาจักที่ท่าน พูดนักพูดนะว่าทํานี่ผิดทํานี่บาปไหนล่ะอาสาของอัลลอฮ์นำมาเลยส่งอาดาบของอัลลอฮ์มานะจะมาแบบไหนนะนี่คือความท้าทายนะครับเพรานั่งกับในอดีตในการท้าทายหรือการขอการบอกเนี่ยเอลเราให้เห็นเลยนะอยากได้อาดาบอยากได้การลงโทษนะฮะเขาเรียกว่าอยากลองดีเอาเราส่งให้เดี๋ยวนั้นเอลเราส่งมาเลยนะครับ นั้นในอดีตจะเห็นว่าบทลงโทษที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นด้วยการฝ่าฝืนทรยศและก็ต่อต้านนะของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธทั้งหลายและนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์นะครับที่คุณอ่านได้บอกเอาไวนะ้ในคำพูดเขาเรียกว่าออโอหังยาโซนะครับที่บอกว่า ไม่พูดอะไรเยอะไม่ได้มาบอกว่าเออเรื่องจริงไหมอย่างไงไม่มีเลยครับแต่เป็นการพูดเชิงท้าทายเป็นการพูดเชิงเชิงด้อยค่าเป็นการพูดเชิงเ อ, อเขาเรียกว่าเหมือนกับจะลองดีนะครับแล้วบอกว่าไหนล่ะอด า, าบของเราเอามาเลยเอาอด า, าบของขามาเลยทําไมครับอิงกุลตะมินาสอดีกินถ้าท่านพูดจริงถ้าท่านเป็นคนที่สัต์จริงแล้วเราก็เอามาเลยนํามาเลยไหนอด า, าบแบบไหนเห็นไหมฮะนี่คือนี่คือ สิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคอดีตพี่น้องครับถ้าเราย้อนมามาวันนี้พี่น้องครับบางเรื่องบางอย่างเนี่ยนะเราพูดไปแบบอร่อยปากอะเอาเอาชนะไปก่อนเอาแบบคนเฮาเป็นก่อนโดยที่ลืมว่าสักวันหนึ่งคําพูดเหล่านี้สักวันหนึ่งสิ่งต่างๆที่เราพูดออกไปนั้นมันจะเป็นดาบแล้วมันจะสาเหตุทําให้ถูกลงโทษอย่างไม่น่าจะเกิดขึ้นนะไม่น่าจะเกิดขึ้นเราได้รับคําสั่งสอนตัวอย่างในอดีต เราได้เราได้รับคําตักเตือนนะฮะในจากกรุรานที่บอกถึงเหตุการณ์ในอดีตพี่น้องครับเวลาอาจจะแตกต่างนะครับรูปแบบรูปแบบของการปฏิบัติอาจจะแตกต่างแต่เท่าเป้าหมายมันเหมือนกันผลลัพธ์ไม่แตกต่างนะผลลัพธ์ไม่แตกต่างนะครับนั้นวันนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตคําสั่งสอนคําพูดคําบอกนะฮะคำสุขเถียงต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องอย่างนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็น แต่วันนี้วัฒกรรมเปลี่ยนไปนะครับาการแสดงออกเปลี่ยนไปทุกอย่างแต่เป้าหมายเหมือนกันในการที่ยอมรับในเพศเดียวกันในการที่จะได้อยู่ด้วยกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับยิ่งวันนี้มีการที่บอกว่าเปิดเนื่องการจดทะเบียนนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นนะมันก็เกิดขึ้นดังนั้นอย่าลืมนะครับว่าถ้าผลลัพธ์เหมือนกันถ้าเป้าหมายเหมือนกันผลลัพธ์ไม่แตกต่าง ผลลัพธ์ไม่แตกต่างเพียงแค่ all ท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดูอาในการปรวิงเวลาในการลงโทษอุมมะหรือประชาชาติของท่านนาบีนะครับให้ไปวันนุษคือวันเกียร์มะหลังที่เราตายก่อนหลังที่เราโลกนี้หรือว่าพวกนี้การฟื้นคืนชีพใหม่ครั้งหนึ่งก่อนเพื่ออะไรครับหวังว่าบ่าวคนหนึ่งที่อาจจะผิดพลาดหวังว่าอุมมะประชาชาติคนหนึ่งที่ผิดพลาดจะได้กลับตัวกลับใจ ก่อนที่อาจยังจะมาถึงนี่คือความห่วงใยที่ท่านนาบีมใีให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับต่อมาครับที่การท้าทายอย่างนี้ที่บอกว่าหากแม้นว่าท่านเป็นผู้ที่สักจริงโอ้โหอันนี้มาเป็นเชิงบูลลี่แล้วก็เรียกว่าการท้าทายอย่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับคําพูดของท่านรอซูลคําพูดของท่านนาบีคําพูดของคนที่อัลลอฮ์ได้แต่งตั้งให้เป็นรอซูลในการมาสอนมาบอกมากล่าวนี้นะกับกลายเป็นคําพูดที่มองว่าแค่พูด ไม่เห็นมีจริงเลยแค่บอกไม่เห็นเป็นจริงเลยนะครับและถ้าไม่เป็นจริงล่ะครับข้อเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นกับคนพูดนะมันเกิดขึ้นกับคนท้าทายและอะไรจะเกิดขึ้นล่ะครับไม่มีผลดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าวันนี้เราเปลี่ยนผลดีเกิดกับใครเกิดกับตัวเราเองไม่ได้เกิดกับใครคนรอบข้างเลยตรงกันข้ามถ้าเราไม่เปลี่ยนยังดื้อดึงในความผิดพลาดอย่างนี้และยังมีการบูลลี่แล้วท้าทายและเดียดย้ํา ถ้าเห็นนี้มันเกิดขึ้นใครเสียหายก็คือเรานั่นเองนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องคิดนะครับจากอายะกุรอ่านที่กุรอ่านได้บอกไว้มันมีข้อเล็กข้อคิดที่แฝงอยู่ถ้าเราศึกษาเรามองให้ชัดๆเราจะเห็นว่านี่คือมันไม่มีอะไรดีเลยตั้งแต่แรกถ้าเราดื้อดึงกับคำสอนคำตักเตือนที่มาจากอัลกุรอานที่มาจากอัลอิสลามนะครับต่อมาครับ ท่านนบีรูดอะลัยฮิสลาเมื่อเห็นเหตุการณ์ในการดื้อดึงในการขลักต่อต้านในการท้าทายอย่างนี้แน่นอนแหะครับไม่มีประชาชาติใดนะครับที่ต่อต้านขนาดนี้ที่ท้าทายขนาดนี้และจะรอดนะครับไม่มีนะฮะแต่จะโดนอย่างไรโดนเมื่อไหร่นั้นอยู่นอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลานะครับสิ่งที่ผู้ศรัทธาทําได้สิ่งที่ผู้ศรัทธาควรจะต้องทํานั่นก็คืออะไรครับนบีรูดบอกว่า กอลรับบินสุรนีอลลกามิกมินมุฟสิดีนนี่คือสิ่งหนึ่งที่นบีลูตอลไอาลามขอต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัลาอว่าโอ้พระโอ้พอวันของฉันโปรดช่วยเหลือฉันให้รอดพ้นนะให้รอดพ้นจากใครครับกับประชาชาติที่สร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนี้เห็นไหมให้เราออกห่างหรืออยู่เหนือกับหรือพูดง่ายว่าไม่เกี่ยวข้อง กับผู้ที่ทําความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนี้อันนี้พี่น้องครับวันเวลาผ่านไปเรามองว่าความเสียหายนี้ไม่เรียกว่าเสียหายมันเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวสิทธิส่วนบุคคลอันเนี้ยมันมาแล้วนะฮะใช้คําพูดต่างๆนานาทําให้สิ่งที่มันไม่ดีกลับดูสิ่งเป็นดีสิ่งที่ไม่ผิดถูกต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันด้วยคําพูดทั้งนั้นเลยสุดท้ายทําไมครับเรามาดูว่าคุรานได้บอกอย่างนี้นะฮะเพื่อให้เรารู้ว่า สิ่งที่เราควรขอคืออะไรครับเราต้องเมื่อไม่มีวิธีการไม่มีการที่จะได้อะไรแล้วก็ขอให้เรารอดพน้นขอให้เราได้การช่วยเหลือรอดพ้นจากประชาชาติกลุ่มชนที่สร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนี้นะครับนั่นกะ็คือเป็นสิ่งที่เรียกกันว่ามันเป็นทางออกของความไม่ยอมรับการตักเตือนของประชาชาตินะครับครับพี่น้องครับเวลาของเราหมดลงแล้วครับเพิ่มกใหม่ในโวกาสต่อไปครับซึ่งละว่าล่ะกุ้มบรหัมมะทุลล่ะวบรักะ